กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุครอบครัวก่าซอทรอเอฟเอ็มไรหกข้าพเจาพระมหาภัยบูลนะพี่ปุณโญในช่วงของวันอังคารแล้ววันพุธในทุกๆสัปดาห์นั้นเราจะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์สิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั้นพระบุตรเจาได้ตรัสไว้เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีมีความลึกซึ้งมีระเบียบแบบแผนการศึกษานเป็นภาษาที่ แม้ถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสมาศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าเนี่ยจะมีความซาบซึ้งใจมีความลึกซึ้งในสิ่งที่พระพุทรเจ้าเนี่ยตรัสไว้นั้นโดยละเอียดมากขึ้นซึ่งในการนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสในการศึกษาภาษาบาลีอย่างนี้ก็จึงเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งและโดยการทําความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นใน ลักษณะของบทเพียนชนะบ้างแต่ก็คือการแปลมาหรือการทําความเจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในลักษณะของเรื่องของอัตตะหรือคือความหมายในแต่ละอย่างในแต่ละประเด็นลึกบ้างตื้นบ้างเพราะฉะนั้นก็จึงมีการแปลจากภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาไทยบ้างภาษ า, าอังกฤษบ้างแล้วก็หลายๆภาษาในช่วงของวันอังคารและวันพุธเนี่ยก็จะมีความพิเศษที่เราจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในระบบ2ภาษาคือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ แต่เพื่อที่จะเปรียบเทียบกันถึงคําศัพท์ความหมายต่างๆบ้างแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องธรรมะด้วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่องภาษาด้วยเพราะว่าเรากําลังเข้าสู่เรื่องของประชาคมอาเซียนการที่เราติดต่อสื่อสารกับผู้คนในเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้ก็ระดับหนึ่งในเรื่องของการสังคมเรื่องของการใช้ชีวิตแต่แน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแซึ่งการที่ตมุฟังได้ศึกษาเล่าเรียนเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นการดี เนความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นดีมากขึ้นในวันนี้เรื่องที่เลือกมาให้ทิโมฟังฟังนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบของการทําความเปลี่ยนในเรื่องของการทําความเพียนนั้นก็คือการฝึกฝนการทําจริงแน่แน่จริงการฝึกฝนการทําจริงแน่แน่จริงพระพุทธเจ้าได้เคยเปรียบเหมือกับการฝึกในการฝึกช่างการฝึกม้าแต่ซึ่งการฝึกช่างการฝึกม้าบางทีอย่างที่ข้าพเจ้าได้บอกเอาไว้ว่า บางทีมันต้องใช้สัตราบางทีมันต้องใช้อาจยาบ้างขมขู่มันบ้างให้มันโกรธบ้างให้มันกินบ้างแต่การฝึกด้วยธรรมะนั้น น, นไมไ่ต้องใช้อาจยาไม่ได้ต้องใช้สัตราแต่ว่าใช้ธรรมะล้วนๆและที่เคยเปรียบเทียบไปเมื่อวานนี้คือพูดถึงเรื่องของช้างวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของหมาแหมาที่ควรฝึกได้เป็นหมาที่มีพันธุ์ดีเจะเอามาฝึกลักษณะไหนฝึกแบบไหนถึงจะออกมาเป็นหมาที่ควรจะใช้สอย เป็นม้าที่ดีเป็นม้าที่ควรแก่พระราชาแต่ได้ก็ตราดเอาไว้กับภิกษุที่ชื่อพัทธลิแต่เรียบเ ท, ทียบไม่ฟังถึงการฝึกมา้าว่าบางทีการฝึกม้าเนี่ยมันยังมีความประยุ์ความเสพิดดิ้นรนเวลาที่เราฝึกให้มันรับสวมบางเหียนบ้างรับอ่านเวลาที่คนจะขึ้นไปนั่งหรือ ว, ว่าฝึกในท่าทานต่างๆมันจะมีความไม่คุ้นเคยมีความเสพิดมีความดิ้นรนตรงนี้แล้วก็เขาก็จะฝึกซ้ำๆซัซซกๆ ให้ความปรพยชน์ความเสปิดดิ้นรนนั้นหายไปเรามาฟังเรื่องราวตัวนี้แต่จะได้ทําความเข้าใจให้เกิดมากขึ้นว่าเอ๊ะการฝึกซ้ซําๆำซากๆฝึกอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะทําให้ปรพยศน์นั้นหายไปได้อย่างไรพระรูปเจ้าได้เคยตรัสไว้กับท่านพาทลิเอาไว้อย่างนี้ว่าพาทลิเปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้สามารถได้ม้าอาชาในพันดีมาแล้วในขั้นแรก ย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวนบางเหียนก่อนเมื่อมานั้นถูกฝึกให้รู้จักการรับสวนบางเหียนอยู่พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นฆ่าศึกเป็นหลักตอเนผิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของมา้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างมานั้นเพราะถูกฝึกเนือง ถูกฝึกซ้ำๆ ซ, ซากๆเก้าก็หมดประโยชน์ในข้อที่ไม่รับส่วนบางแนั้นบัดดิล suppose a clever horse trainer obtains a fine thoroughbred colt, he first makes him get used to wearing the bit, while the colt is being made to get used to wearing the bit. Because he is doing something that he has never done before, he displays some contortion, writhing, and vacillation. But through constant repetition and gradual practice, he becomes peaceful in that action. The เมื่อใ a มาอาชนพันธีตัวนั้นถูกฝึกซำซำซากซาก ถูกฝึกเนืองเนืองในข้อนั้นจนหมดประโยชน์แล้วเมื่อนั้นคนฝึกมา้าจึงทําการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในการเทียมแอกเมื่อม้านั้นถูกฝึกให้รู้จักการเทียมแอกอยู่ประโยชน์ต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นค่าศึกเป็นหลักต่อเซพิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้า ที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างมานั้นเพะถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้าก็หมดประโยชน์ในข้อที่ไม่รับการเตรียมแอกนั้น When the c o ร์ has become peaceful in that action the horse trainer further makes him get used to wearing the harness while the court Is being made to get used to wearing the harness, because he is doing something that he had never done before. He displays some contortion, writhing, right and vacillation. But through constant repetition and gradual practice, he becomes peaceful in that action. เมื่อใด ม้าในพัน์ดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆถูกฝึกซ้ำๆ ซ, ซากๆเข้าจนหมดประยศในข้อที่ไม่รับเทียมแมกนนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกมา้าจึงทําการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในการแยกขากระโดดแพ่าขึ้นพร้อมกันทั้งสี่ขาในการเอี่ยวตะแคงตัวเป็นวงกลม จนผู้ขี่หยิบอาวุธที่ตกดินได้ในการสามารถวิ่งจดแต่ปลายกีบจนไม่เกิดเสียงในความเร็วทั้งที่หนีที่ไล่ในการไม่กลัวต่อเสียงอึ ก, กทึกทุกชนิดในการรู้คุณค่าของปราชาในการทำตัวให้สมกับเป็นบงของพระยามาในความเร็วแผ่นเลิศ ในความเป็นยอดมา้าและในความที่ควรแก่การฟังแต่คําที่นิมนวน When the coat has become peaceful in that action the horse trainer further makes him act in keeping in step in running in a circle in prancing in galloping in charging in the kindly qualities the kindly heritage, in the highest speed, in the highest fleetness, in the highest gentleness. มนุษยเพราะถูกฝึกเนืองเนืองถูกฝึกซ้ำซ้ำซากๆากเข้าก็าาหมดประโยชน์ต่างๆในทั้งสิบข้อนั้นเมื่อมาอาชายพันดีตัวนั้นถูกฝึกหนึองเนืองถูกฝึกซ้ำซ้ำซากๆเข้าจนหมดประโยชน์ ทุกอย่างนั้นแล้วเมื่อ น, นั้นคนฝึกมา้าเขาย่อมฝึกม้าตัวนั้นเพิ่มเติมให้ยิ่งขึ้นไปทั้งโดยคุณภาพและโดยกำลังม้าชาในพันดีที่ประกอบด้วยองค์คุณสิบประการเหล่านี้ละ่ะเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชปานาได้และจัดได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาด้วย When the c โค t Has become peaceful. In these actions, the horse trainer further rewards him with a rubbing down and a glooming. When the fine thoroughbred coat possesses these ten factors, he is worthy of a king in the king's service, and considered one of the factors of a king. ฉะนใฉันั้นเถอผู้ใดที่ประกอบด้วยองคุณสิบประการต่อไปนี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบัญชีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า So too when one possesses ten qualities he is worthy of gifts worthy of hospitality worthy of offerings, worthy of reverential salutation, an d unsurpassed field of merit for the world. 1ิบอย่างอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นอาศสค่ะประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นอาศสค่ะประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สมัมมาอาชีวะสมัมมาวายามะสมัมมาสติสมัมมาสมาธิสมัมมาญาณนะและสมัมมาวิมุตติอันแต่ละอย่างเป็นอสิขะ And what ten here One possesses the right wheel of one beyond training, the right intention of one beyond training. The right speech, the right action, the right livelihood, the right effort, the right mindfulness, the right concentration, the right knowledge, and the right deliverance of one beyond training. ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตัดกับท่านพัตลีเนี่ยในคร้แรกที่ข้าพเจ้าอ่านเรื่องนี้นะท่านฟังก็รู้สึกแม่มันน่าพิศว ง, งงงวยมากที่ ม้าเนี่ยสามารถจะเยี่ยวตัวเป็นวงกลมจนกระทั่งคนที่ขี่อยู่บนหลังม้าเนี่ยสามารถหยิบอาวุธที่ตกอยู่ที่ดินห ย, ยิบขึ้นมาได้แต่ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นม้าที่จะมีความสามารถในระดับนั้นนะคนฝึกม้าที่ฉลาดสามารถฝึกม้าได้ขนาดนี้ต้องไม่ธรรมดาม้านี่ก็ต้องไม่ธรรมดาแต่ม้าที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือมีการเพ่งในลักษณะที่จะตอบสนองกับผู้ฝึกม้าอย่างดี ผู้ฝึกม้าจะฝึกยังไงใช้กุญยวิธีไหนจะตอบสนองอย่างไรที่จะไม่ให้ถูกลงโทษจะตอบสนองอย่างไรที่จะให้ถูกตามที่คนฝึกม้าต้องการม้าก็ต้องมีการเพ่งอย่างนั้นแล้วก็มีการฝึกให้มีความรวดเร็วมีกําลังย่องเบาๆก็ได้นี่มันน่าสะใจมากซึ่งในการฝึกแต่ละครั้งบางทีมีความพยศมีความเสพปิดดิ้นรนการฝึกซ้ําๆซักๆฝึกบ่อยๆจะช่วยลดไอความเสพปิดดิ้นรนไอความประยศนั้นได้ เพราะว่าการที่ค่อยๆสังเกตเอาจิตข เ, เราเหมือนกันตัณหฝังไม่ต่างกันนาะฝึกใยๆฝึกซ้ำๆ ซ, ซากๆดูไปนะ่นะแนาว่าเวลาที่เราทําสมาธิเจริญสติปัฏฐานสี่บ้างเจริญสัมมาวาามิมารบ้างารักษาศีลของเราบ้างหนาเราค่อยเพ่งอยู่ถึงกระบวนการกา ร, รปฏิบัติตรงนี้แล้วค่อยสังเกตค่อยดูให้ดีตรงไหนมีความผิดพลาดก็แกไขเอาทําความชํานาญทำความคล่องแคล่วให้เกิดขึ้นในกระบวนท่าต่างๆเหล่านั้นและก็ไม่ใช่เฉพาะในธรรมะหมวดใดบทหนึ่งอย่างเดียว ในธรรมะบนเดียวกันแต่ว่าในสถานการณ์แตกต่างกันนั่นมันก็มีแง่มุมที่แตกต่างกันซึ่งตรงนี้นการทำาํำซ้ำการทาําย้ําการทําอยู่ บ, บ่อยจะเป็นการทําให้เจริญซึ่งในคุณธรรม10อย่างที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนั่นก็คืออริยามรรคมีองแปดนั่นแหละแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีก2อย่างแต่2อย่างนี้รวมกับ8อย่างแรกแป8อย่างแรกนี้เขาเรียกว่าอริยามรรคมีอง 8. แปดรวมอีก2อย่างเข้าไปก็เรียกว่าสัมมัตต ะ, ะซึ่งมีอยู่10อย่าง ก็คือมรแปดบวกกับอีก2อย่างสัมมาญานะและก็สมมาวิมุตติซึ่งตรงนี้ก็มันคือหมายถึงคนที่บรรลุแล้วนั่นเองแต่คนที่ฝึกดีฝึกได้อย่างถูกต้องฝึกจนชํานาญกล้องแล้วแล้วจนถึงขั้นที่เป็นอาเซค่ะเนี่ยตรงนี้เขาก็ใช้คําว่าเกินที่จะต้องฝึกขึ้นไปแล้ว่ก็คือฝึกเสร็จแล้วนั่นเองแต่คนที่ฝึกเสร็จแล้วนั่นก็จะมียานมีวิมุตติเกิดขึ้นในที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากมรแ8ดในเรื่องของมรนี่นก็ยังมีที่เพิ่มเติม บ, บาง อุปมาอุปมัยเรื่องของการฝึกม้าแต่ก็ไปเปเรียบเทียบประไว้ถึงม้าพันดีที่มีอยู่8อย่างม้าพันดีที่มีคุณสมบัติ8อย่างนี้จะเป็นม้าที่ดีเป็นม้าอาชนา이ได้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสาไว้ในอาชัญญสูตรแต่พูดถึงความเป็นอาชนายของม้า่ในอในยะแรกที่พูดเมื่อสักครู่นี้คือได้ตรัสกับท่านพัทธลิพูดถึงว่าก่อนการที่จะฝึกเสร็จเนี่ยแล้เขาก็จะต้องฝึกในลักษณะสิบอย่างนั้น แต่ประสภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมา้าเนี่ที่ควรฝึกยังฝึกไม่เสร็จเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าคอต C, od, C O L T แนตะ่หมายถึงม้าพันธุ์ดีที่ยังไม่ได้ฝึกยังฝึกไม่เสร็จส่วนคําว่าม้าอาชนายเนี่ยเขใช้อีกคำหนึ่งแต่เรามาฟังเรื่องของอาชัญญาสูตรที่พูดถึงม้าอาชานาอาไวผู้เรียนไะด้ตราทวายเน่ยเป็นการสรุปไว้เลยแต่ว่าคนที่มีคุณสม บ, บัติ8ประการเหล่านี้เนี่ยมันมีระยะอยู่ลองฟังตรงนี้ท่านผู้ฟัง เป็นการสรุปเรื่องของการฝึกเด่ที่เราควรจะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราในเบรบที่ไว้ ก, การฝึกหมาพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าม้าอาชาในตัวประเสริฐของพระราชาในกรณีนี้ย่อมมีกําเนิดดีทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและบิดาเกิดในทิศที่ม้าอาชาในตัวอื่นเขาเกิดกัน A king's excellent thoroughbred horse He is well born on both sides, maternal and paternal. He is born in whatever area other excellent thoroughbred horses are born. 2. Yum, b r i m o kong gin, that e gave, fresh or dried, neat, not irregular. He respectfully eats whatever food they give him, whether moist or dry, without scattering it. 3. ามย่อมรังเกียจที่จะนั่งหรือนอนทับอุจระภาษว He is repelled by sitting down or lying down near feces or urine. 4. เป็นสัตว์ยินดีมีการอยู่ร่วมเป็นสุขไม่รบกวนม้าอื่น he is mild and pleasant to live with and he does not agitate other horses หเป็นสัตว์เผยความโอ้อวดความประยศก์โกงแกนายสารถีอย่างเปิดเผยนายสารถีพยายามปราบความประยุก์ โคตโงเหล่านั้นของมันได้ He reveals his tricks, ploys, gambits and vows as they really are to his trainer so that his trainer can make an effort to stamp them out of him ขริี่เป็นสัตว์ล่าเข็นภาระเกิดความคิดว่ามาอื่นจะเข็นภาระได้ หรือไม่ก็ตามสำหรับภาระนี้เราเขียนได้ he carries loads determined whatever or not the other horses carry loads I myself will carry them ขอเจเมื่อเดินก็เดินตรงตามทาง when moving he moves only along a straight path ข้อที่แด เป็นสัตว์มีกำลังวางชาคือทรงกำลังไว้อยู่จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต He is strong. He shows his strength right up until the end of his life. พี่สุดตรงายม้าอาชาในตัวประเสริฐของพระราชาที่ประกอบด้วยคุณสมบัติแปดประการเหล่านี้ละ่ะสมควรเป็นม้าต้น เป็นราชปานะได้จัดได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาทีเดียว processing these eight factors a king's excellent thoroughbred horse is worthy of a king and necessary of a king and r e c k o n as a factor of kingship ที่สุดทังหลายฉันในก็ฉันนั้นเหมือนกัน เธอผู้ใดที่ประกอบด้วยคุณธรรมแปดประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทาบุญควรทามัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าแปอย่างอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสำรวมในปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมรารยาทและโคจรเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย so too because one possessing e g qualities one is worthy of g i l t s worthy of hospitality Worthy of offering, worthy of reverential salutation, and u r e a e s t f e e l of merit for the world. And what act? Here, one is virtuous; he dwells restrained by the patimokkha, possessed of good conduct and resort, seeing danger in minute faults. Having undertaken the training rules, he trains in them. Point two: I prostrate myself a อ the feet of the monks or nuns, with r e s p e ร t without r e s e He respectfully eats whatever food they give him, whether coarse or excellent, without being annoyed. p o r e e เกลียแต่กายชุจริตวจีชุจริตมโนชุจริตและการถึงพร้อมด้วยธรรมันเป็นบาปอกุศล he is repelled by bodily verbal and mental misconduct he is repelled by the acquisition of the numerous kinds of bad unwholesome qualities ข้อ4ส เธอยินดีอยู่มีการอยู่ร่วมเป็นสุขไม่รบกวนบุคคลเหล่าอื่นให้เดือดร้อน He is mild and pleasant to live with and he does not agitate others กอริยาเป็นผู้เปิดเผยความโอ้อวดความพยศกดโกงตามที่เป็นจริงในพระศาสดา หรือในเพื่อนผู้ประพุติพรมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายประสาสดาหรือสะพรมจารีเหล่านั้นย่อมพยายามช่วยกำจัดความโอ้โอวดเป็นต้นเหล่านั้นของเธอได้ he reveals his tricks, ploys, gambits, and wiles as they really are to the teacher, all to his wise fellows, so that They can make an effort to stamp them out of him. กอติโเธอเป็นผู้สำเนียกใ่ใจอยู่ว่าบุคคลเหล่าอื่นจะศึกษาหรือไม่ก็ตามเราจะทำการศึกษา he is one who takes up the training determined whatever or not others train I will train กอติช เมื่อปฏิบัติก็ย่อมปฏิบัติตรงทางทีเดียวในข้อนั้นพึงทราบทางตรงคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ When moving he moves only along a straight path in his conduct And this is the straight path. The right view, Right intention, Right speech, Right action, Right livelihood, Right effort, Right mindfulness, And right concentration. และก็ที่ 8. ถ้าเป็นผู้ประรกความเพียนอยู่ว่าหนังเอ็นกระดูกจะเลืออยู่เนื้อและเลือดในศดีระ จะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพี่ยนด้วยความบากบัน่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเปลี่ยนนี้เสียเป็นไม่มีเลย He has aroused energy thus willingly let only my skin sinews and bones remain And let the flesh and blood dry up in my body, but I will not relax my energy, so long as I have not attained what can be attained by manly strength, energy, and exertion. ปิศาลายเตอร์ผู้ใดที่ประกอบด้วยคุณธรรม8ปประการอย่างนี้แหละย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญควรทำบัชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า possessing these a g e d qualities one is worthy of gifts worthy of hospitality worthy of offerings worthy of reverential salutation an unsurpassed field of merit for the world